เราชวนคุยธรรมะกันในวันนี้เรามาคุยเรื่องใกล้ๆโอ้ตัวเรายังมีเราไม่ตายนะแต่บางคนเอ่อตื่นขึ้นมาเนี่ย เดินมาเอ๊ะนี่มาที่ไหนทำไมไม่เห็นใครเลยร้องให้ดีกว่าเหมือนกันนั่นคือบางคนคนแก่บาง เอ่อเพราะนั้นเวลาที่เราตื่นมาแล้วเรายังมีกายนี้อยู่เรายังมีใจนี้ ประกอบขึ้นมาเป็นตัวเราดูลงไปลึกๆอีกนิดนึงว่าเอ๊ะพวกนี้มาจาก 10 ปีที่แล้วอีก 10 ปีข้างหน้าก็อาจ เรามันไปตามระบบย่อยอาหารอาหารเข้าไปมันไปตามระบบย่อยอาหารผ่านๆที่ทําให้ให้มีเปลี่ยนสภาพไปบ้างนะตามหน้าที่ตามตําแหน่งของมันอาหารมี นะอาหารเนี่ยทําให้กายนี้มันโตๆมาจากที่ไหนนั่นก็คือมา <necessary. S 2> <Spain. S 1> นมนามิดา 9 เดือน 10 เดือนบ้างนะแล้วก็เอ่อประคับประคองด้วยความเอ่อระวังระมัดระวังอย่างยิ่งในประคับประคองเลี้ยงดูขึ้นมาด้วย <Mystery. S 1> นะใครดูแลแสดงโลกนี้เลี้ยงไว้ไม่ เมรัยในชีวิตอยู่ทําให้เรายังมาสามารถฟังธรรมะได้ทําให้เรายังสามารถทํา เรื่องของโลกใบหนึ่งของโลกใบหนึ่งเหนือที่สมมุติว่าโลกใบ 1 ส่วนส่วนที่ 3 ส่วนคือบางก่อนจะๆจากฝั่ง สมมุติเรา 4 ส่วนนะส่วนนึงเนี่ยเป็นดินในอีก 3 ส่วนนี่เป็นน้ํานะ 4 ส่วนเนี่ยมีแต่น้ําเต็มไปหมด แล้วโยนแผ่ลงไปในน้ํานี้นะเพื่อที่จะอยู่บนแผ่นี้แผ่นี้ก็มีรูอยู่รู สีส่วนของพื้นผิวโลกเลยเนี่ยนะก็ลายไปตาม นะอึดขนาดที่เรียกว่า 100 ปีเนี่ยหายใจครั้งเดียวนะลงไปในน้ําก็ไปหากินใช่มั้ยตามัน ช้าเต่าตัวเนี้ยที่ตาบ่อด้วยแล้วก็มีความอึดมากนะอ่ะ แล้วก็ตาบ่ออีกทางๆเลยร้ายปีโผล่ขึ้นมาหายใจครั้งโอ้ เพราะว่าบางโลกเอาโผล่ขึ้นมาอีกเอาเป็นคนละเหนือๆมันอาจจะยังไม่เข้ารูอีกก็ได้ไปอ้าวรอปีละโผล่ขึ้นมาอีกไป ว่าที่จะมีโอกาสสักครั้งหนึ่งดีหงัวก็มันจะโผล่ขึ้นไปเอ่อใน มีแต่ความเบียดเบียนกันเป็นธรรมดาเบียดเบียนกันนี่คือว่ากลั่นแกล้ง นะสัญญายกินสัตว์เล็กนะคนอ่าที่คนคนที่มีอำนาจน้อยกว่าอย่างเงี้ยนะการเบียดเบียนเนี่ยเป็นเป็นอย่างกว้างขวางในหมู่สัตว์เดรัจฉานทําให้เราบางที เขาก็จะไม่มีช่องทางที่จะได้ทําบุญทํากุศลไม่มีที่ มันนั่นเป็นเพราะว่าธรรมชาติคือความหลงอยากจะเกิดเป็นอย่างนี้อยู่ไปเรื่อยๆนั่นเป็นเพราะว่าธรรมชาติคือความหลงในที่คลอบงํา แล้วก็เมื่อไหร่จะถึงกําหนดเวลาสักทีอย่างเงี้ยแต่ เนี่ยทุกเราอยู่งั้นเราจะทํายังก็ได้พูดถึงเส้นทางเอาไว้นะอย่างอ่าจังหวัดสระบุรีหรือว่ากรุงเทพมหานครตอนชายเมืองรอบๆเนี่ยเป็นจุด จะต้องการให้ท่านผู้ฟังได้ทราบถึงว่าเราเกิดเป็นมนุษย์นี่ๆจะดีกว่าไหนเพราะว่า นะเราอย่าใช้เวลาให้มันเสียไปโดยประโยชน์ในเวลาไปเนี่ยไปทํา เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าจึงเปรียบเทียบให้ฟังว่ามันเป็นสิ่งที่ยากมากจริงๆกว่าจะได้มาครั้นได้มาแล้วเนี่ยอย่าไปทิ้งไปขว้างได้ของดีๆมาเนี่ยเราต้องรักษาให้ดีเราได้ชีวิตนี้มาได้ความรู้นี่มามีมารดา ไร้ค่าเป็นยังไงไร้ค่าก็คือปิดศีลไร้ค่าก็ งั้นใน 100 ปี 1 ปีมี 12 เดือนยัง 12 เดือนนี้ไม่เดือนมกราคมในเด 12 เดือน 7 วันและจันทร์ถึง 1 ใน 7 วันใน 7 วันนี้เนี่ยมีอยู่ 2 เวลานั่นคือเวลาเช้าหรือเว ใช้มีคุณค่ามากที่สุดในโดยการที่